Thank uh you. -huh. ว่าาเจ้ควา ม, มหมายไวร้รถโบมีนันโนจ้าโอ้น้ อ, อคุณนความดีเขาได้พอความสวยแมนโตพบดินปปกพบกายยาดูกนั่งฟังเมียนเขารถเพียนไปมีสูส่วนสู้ซ้อนคนใหม่โลกแกมไตเขาได้พอโลกงันหยอผัดแมนเฮ้า ผ่อนเบา